ผู้ที่จะเตรียมตัวในการบวชการบวชในครั้งนี้ในชีวิตของเราการบวชมีความหมายนะให้ถือว่าการบวชในครั้งนี้ในชีวิตของเรามีความหมายเพราะฉะนั้นการบวชให้พวกเราตั้ง อ, อกตั้งใจเป็นกรณีพิเศษการบวชครั้งนี้เราไม่ได้บวชเพื่ออย่างอื่นเราบวชเพื่อสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของเรา แต่ภายนอกเราสองแสวงหาทรัพย์เราก็สองแสวงหาทรัพย์ในหลายๆด้านเพื่อชีวิตของเราจะได้มีความสุขในสิ่งภายนอกแต่อาหารทางด้านจิตใจพวกเรารู้สึกว่าหางเหินหรือไม่ค่อยได้คิดกันแต่มาครั้งนี้พวกเรามาศึกษามาศึกษาหา ผลทางหาอาหารให้แก่ใจนะพูดง่ายๆนะนะคือมาสอบสวงหาอาหารให้แก่ใจของเราการให้อาหารทางใจเป็นหลักของพระพุทธศาสนาเป็นพระธรรมคํำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่สอบแสวงาอาหารให้ทางใ จ, ใจิตใจแต่โลกตัวทั่วไปเขาหาอาหารให้แก่ร่างกาย คือการเป็นอยู่อยู่ดีกินดีมีปัจจัยสี่เข้าน้ำโภชนะอาหารที่อยู่อาศัยจากแก่โรคภัยไข้เจ็บผ้านุ่หมอันนั้นแปลว่าหาอาหารให้แก่ร่างกายให้การเป็นอยู่ให้มร่างกายเป็นอยู่ที่ดีแต่ว่าพวกเราชาวโลกทั้งหลายไม่ได้คิดหาอาหารให้แก่จิตใจเพราะเหตุกา ใจของเราจรึงได้รับความเกิดร้อนพุ่นวายเป็นทุกข์ไม่รู้จักเพียงพอกระเสือกกระสนบุ่นวายอยู่ตลอดแต่ไม่มีที่สิ้นฉุดเหมือนกับไฟไม่อิมอไไมอ่มด้วยเชื้อไฟไม่อิ่มด้วยเชื้อเชื้อเพลิงเมื่อเราเทน้ำมันเข้าทลายไฟก็ยิ่งลุกโทงขึ้นอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อเราส่งเสริม กิเลสราคะโทสะโมหะเข้าสู่จิตใจจิตใจของเราคิดว่ามันจะสงบใหม่มันยิ่งลุกโผลงขึ้นจนจะร้งางไม่อยู่เพราะนั้นพวกเราจึงได้หาวิธีที่จะทํำยังไงจึงจะให้ไฟในใจของเราดับมอดลงไปไม่ให้มันไฟลุกโชนด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะ อันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของพวกเราที่เข้ามาศึกษาเข้ามาบทในคราวนี้นะมาศึกษาถึงจะตักได้หรือไม่ได้นันอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าการศึกษาวิธีการในหลักของพระพุทธศาสนานั้นที่พระพุทธเจ้าพาดําเนินมานั้นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าถึงครั้งนี้ท่านพาดําเนินอย่างไรอันนี้ก็พวกเราจะเข้ามาศึกษา เพราะว่าการเข้ามาศึกษาในครั้งนี้จะว่าเป็นชีวิตชีวิตใหม่ของพวกเรานะเพราะตะกอนเราเป็นครวัตเป็นเด็กอายุของเราเท่าไหร่เดี๋ยวนี้30มสิ0ี่สหสบปีเข้ามาแล้วเรายังไม่เคยบวชแต่บัดนี้เราเข้ามาบวชการบวชของเราสมเดือนมเมื่อเป็นครวัตชีวิตของเราอีกอยู่ในระดับหนึ่ง แต่บัดนี้เราเข้ามาบวชเราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเข้าไปอีกในเป็นอีกประเภทหนึ่ง mm. อีกมิติหนึ่งอีกระดับหนึ่งอีกมุมมองหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งในชีวิตของเรา mm. หรืออยากจะให้มันเป็นแบบครวัตก็เป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นแบบครวัตก็เหมือนกับคนไม่ได้บวชในเมื่อบวชเข้ามาแล้วจะให้เหมือนครวัตไม่ ไ, ได้เขาต้องเป็นอย่าง อีกระบบระเบียบหนึ่งอยู่นในกฎกระเบียบหนึ่งคือกฎกระเบียบของพระเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็ให้เราคิดไว้ในใจเสมอให้พวกเราจะไม่มตกกังวลไม่ได้คิดอะไรมากเพราะบางคนทําไมเราจึงทุกข์ยากลําบากอย่างนี้เราทานอาหารมือเดียวฉันอาหารมือเดียวเรานอนตามลําพังหรือว่าเราอยู่ตามลําพัง อย่างนี้เป็นต้นนะแต่ตามไม่จริงอันนี้คือวิถีชีวิตของพระพระพุทธเจ้าท่านแนะนําอย่างนี้ท่านให้อยู่อย่างนี้ท่านสอนให้ปฏิบัติอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้ามาศึกษา ต, ตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้ท่านบัญญัเอาไว้ท่านให้พวกเราทําเราก็ทําตามที่พระพุทธเจ้า เลิกครูบาอาจารพาเอาพุทธปฏิวัติมาพากระทำมาเพราะนั้นให้หนักทั้งหลายให้ตั้งอกตั้งใจการบวชในครั้งนี้แปว่าเปลี่ยนชีวิตของเราไปในแนวระดับหนึ่งให้เราคิดอย่างนั้นจากนั้นก็ให้ศึกษาพยายามดูตาให้ดูหูให้ฟังใจให้คิดเมื่อได้เห็นได้ยินได้ฟัง ตามแนวแถวที่ครูบายจารท่านพาปฏิบัติจากนั้นกขาลงมือประพฤติปฏิบัติพยายามนั่งสมาธินั่งสมาธิก่อนนอนนะถ้าไม่จําเป็นก็จะไปพูดไปคุยกันจนเกินไปการพูดคุยกันก็เป็นของธรรมดาก็ต้องมีการเสียวนากันบ้างการอยู่ร่วมกันแต่ว่าคุยกันไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นนั่งคุยกันคนหนึ่งนั่งภาวนาพวกหนึ่งจับกลุ่มคุยกัน อย่างนั้นไปถูกนะให้นอนเป็นไมลร่ำเวลาทุกคนบอกเออเอาพวกเราถ้าอยู่ในสลายเป็นนาคสีทุ่มห้องหนังสือจบไปสีทุ่มพักพอนนะพวกเราจะได้ตื่นแต่เช้าพอถึงสีทุ่มเราก็เลิกกันเข้ากระจำที่ของใครของเราไหวพ้พระนั่งภาวนาของใครของเราจากนั้นก็ได้สักชั่วโมงนึงเกือบผ้าทุ่มเราก็นอนพักพอนนอน พอตีสี่เราก็ลุกขึ้นมาแล้วหรือว่าตีสาตามปกติ้ท่านตีสหรือตีสามครึ่งพระกรรมฐ า, านท่านจะให้ลุกตื่นขึ้นมาแล้วถ้าไม่มีอะไรถ้าไม่เจ็บใข้ได้ป่วยจากนั้นลุกขึ้นมาก็ไหวพระยอ่อไหวพระพิสดารกระจุ๊ดแท้แต่จากนั้นกอนั่งภาวนาพอ น, น, นั่งภาวนาแขจนสว่างตีห้ากกว่ากาลงมาแล้วลงมาทํากิจวัตรขอวัดปัดกวา ด, ดทําความสะอาด บริเวณศ า, หาหลหงศาลจัดที่นั่งอะไรให้เรียบร้อยพอเราบวชเข้ามาใหม่เราเป็นนาคเราเป็นพระใหม่อย่าให้ครูบาอาจารย์ที่มีอายุพรรษาเหนือกว่ามีมากกว่าจัดอาสนะให้เรานั่งไม่ใช่ว่าเราใช้สายเราจรึงจะมาศาลามาก็ดูเรียบร้อยแล้วก็มากันนั่งเอาเลยเพ้อเผ้อขาดกระโจนขาดกาดน้ําขาดอะไรก็ยังบอกถมภูมิภพอีก วาหมูไม่จัดให้ตัวเองว่าหมูไม่จัดที่นั่งให้ตัวเองเราเป็นใครเรามีอายุพรรษาเท่าไหร่เราบวชนานเท่าไหร่จึงจะให้ปูบายการหมูเพื่อนปฏิบัติตนเองเราได้ดูตัวเองไหมเราบวชก็มาให้คนอื่นรับใช้ใช่ไหมสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องได้ถามตัวเองม่อยู่เสมอนะเราต้องพึ่งตัวเองเราเป็นพระน้อยพระหนุ่มเราเข้ามาแล้วก็ ต้องศึกษาเราเป็นนาศเราเข้ามาแล้วก็ต้องศึกษาต้องทําให้เป็น เ, เวลามาเวลาไหนก็ให้คิดให้สาเร็จให้ดูตรวจตราดูให้ดีนะอันนี้แหละขอให้พวกนาศทั้งหลายนะต้องตั้งใจที่ลวงพ่อพูดทางนี้ทางนั้นกน็พูดเป็นแนวทางภาพรวมใช้พวกเราได้ฟัง ได้ศึกษานะแล้วก็พร้อมกันก็พระปีเลี้ยงก็พยายามสอนเอสาหังให้ด้วยแล้วก็พร้อมกันก็สอนพิธีการแสดงอาบัติด้วยแล้วก็พร้อมกันก็สอนนะเรียนทำาัธิฐานพรรษาไปพร้อมด้วยนะ น, นี่ก็เมื่อบวชเข้ามาแล้วเราก็จะไดถไ้ถูกต้องทำให้ถูกต้องทไม่เขอะเขิขขขนข อันนี้ก็ภาพพี่เลี้ยงทั้งหลายช่วยกันดูนะส่วนบริการที่ผมบอกให้จัดให้ทาแล้วก็ให้ช่วยจัดการจัดทำถ้าว่าบริการตรงไหนองไหนที่มันยังขาดที่มันไม่เพียงพอก็บอกนะเราก็จะได้หามาให้ให้มันครบก่อนวันบวชแลก็พร้อมกันกัพวกหน้าก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดนั่นะ ให้ตะกตั้งใจท่องสาธยายให้ได้ก่อนวันที่22ที่จะถึงเนี่ยผู้ใดที่ได้แล้วก็เป็นหลักแล้วก็เอาพยายามสอนหมูสอนหมูให้ให้ได้มันไม่เหลือวิสัยหรอกพวกเราทุกๆคนนะหนักนะให้ตะกบตั้งใจสําหรับฝ่ายพระหมูพวกเพื่อนทั้งบทใหม่ทั้งบทงบเก่า ต้อมีอายุพัรษามากน้อยให้พวกเราในพรรษานี้ก็ให้คิดเอาไว้เหมือนกันว่าในพรรษานี้เราจะทำอะไรเราจะปรับอรค์กายวาจาใจของเราอย่างไรอะไรที่ยังขาดตกบกพร่องสาหรับตัวของเราอยู่อย่างองไหนยังไม่ได้ปฏิโมกยังเนี่ย ใ, ในพรรษานี้เราจะพยายามท่องปฏิโมกให้จบ แต่ตามไม่จริงผมเองก็ไม่อยากจะแนะนำอย่างนั้นหรอกคืออยากจะให้ภาวนาจะมากกว่าแต่ถ้าว่าการที่จะแนะนำให้ภาวนานั้นอันนั้นก็เป็นเรื่องประจำอยู่แล้วแต่สาหรับท่องปฏิโมกข์ในทาว่าไม่มีเขตไม่มีเวลาจำกัดบังคับกระทาให้ตัวเองเลื่อนลอยไปเรื่อยๆเพราะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ย ผมว่าจอมเสียสละหนึ่งพรรษาพยายามท่องปฏิโมกให้ได้สำหรับผู้ที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีอายุพรรษาต่อไปภายภาคหน้าอย่ามองข้ามเรื่องปฏิโมกนะถ้าเราได้ปฏิโมกแล้วก่อนนั่นต่อไปภายภาคหน้าเราก็ภาคภูมิใจในตัวของเราอย่างมากนะถึงจะสวดได้สวดไมก่กี่ครั้งกี่หนก็เราได้สวดปฏิโมกเราได้เรียนได้ศึกษา เพราะนั้นในพรรษานี้เราจะเอาอย่างไงเราจะอดนอนพอนอาหารอย่างไรเราจะทําความภาคเพียนแบบอุกฤษอย่างไรเราจะเข้มงวดกวดขันกับตนเองอย่างไรให้พวกเราจิตเอาไว้ในใจนะไม่ใช่ว่าอยู่เป็นวันๆเออห้ยเป็นวันๆแล้วก็มาบน่นภุมิพรมภุมพร ม, ม, ม, ม, มจิตของผมไม่สงบจิตของผมร้อน จิตของผมวน่นวุ่นวายแล้วจะบ่นให้แก่ใครในหลักธรรมคำสั่งสอนลึกพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากแท็บจากหนังสือหรือจากผมน่ผมก็แนะนำหมู่พวกเพื่อนนี่แล้วว่าการเป็นอยู่ของพวกเราให้ระวังตัวนะการฉันอย่าไปฉันตามอำเภอใจอย่าไปตามใจลิ้นจนเกินไป มีอะไรกดกินเข้าไปดื่มเข้าไปเราต้องรู้เราเป็นพระน้อยพระหนุ่มการดื่มอาหารเสริมผมไม่อยากจะส่งเสริมให้แก่พวกท่านทั้งหลายดื่มอาหารกินอาหารเสริมมันเสริมไม่ไม่ใช่เสริมร่างกายมันเสริมการ ม, มาราคาด้วยเพราะฉะนั้นการอยู่การฉันก็ให้ระมัดระวังสําหรับพระน้อยพระหนุ่มผู้ที่จะดารงทรงศาสนา ผู้ที่จะอยู่ในศาสนาดํารงทรงศาสนาอยู่นานเท่านานได้ต้องระมัดระวังให้พวกเราศึกษาครูบาอาจารย์อย่างองค์หลวงตาเป็นต้นอย่างผมอย่างนี้เป็นต้นพวกท่านทั้งหลายคงทา ง, งาว่าได้เห็นรูปภาพของผมที่ผมถ่ายสมัยเป็นผ้าน้อยผ้านุ่มพวกท่านทั้งหลายคงจะเห็นผมร่างกายของผม ผมสู้จริงๆนะสมัยนะั้นไม่ใช่ผมคุยแหงอดอาหารจนร่างกายผอมพอสมควรงหมนเถอะถึงจะไม่ผอมอย่างพระพุทธเจ้าก็ร่างกายผอมเป็นการทรมานทางกายถ้าว่าไม่ทรมานทางกายกายของเราอยู่ดีกินดีอ้วนมีผีมันมันไม่ใช่แต่อ้วนแต่ร่างกาย กิเลสมันก็อ้วนขึ้นมาด้วยถ้าเมื่อกิเลสการาลาขึ้นมาเราจะบังคับมันไม่อยู่ทีนี่มันกระโดดโลดผลโจนทยานเราล้างไม่อยู่ผลที่สุดเราก็มาบน่นใจของผมมันร้อนใจของผมมันไม่สงบใจของผมมันปุ่งฟุ้งซ่านเพราะเหตุไรเราดูเหตุบ้างหรือเปล่า เราได้มองดูเหตุบ้างหรือเปล่ามันมีเหตุอย่างไรมันยังเป็นผลออกมาอย่างนี้เราได้ต่อสู้กับมันบ้างไหมหรือเราปล่อยตามอาเภอใจกินตามอำเภอใจนอนตามอำเภอใจพูดคุยตามอำเภอใจแปล่อยคิตปล่อยใจตามอาเภอใจจะคิดอะไรจะจะทําอะไรจะจะพูดอะไรอยากจะดูอะไรดูตามอำเภอใจคิดตามอําเภอใจ ทีนี้เราจะมาบ่นว่าใจของเราไม่สงบใจของเราร้อนใจของเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเราจะเราจะบ่นให้แก่ใครเราจะบ่นให้พระพุทธเจ้าอย่างนั้นเหรอว่าพระพุทธเจ้าสอนหลักธรรมผิดแล้วผมปฏิบัติมาแล้วไม่ได้ผลอย่างนั้นเหรอแล้วปฏิบัติเราปฏิบัติจริงไหมปฏิบัติจริงตามธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแนะนําจริงไหม ถ้าว่าเราปฏิบัติตามำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านสั่งสอนแนะนํามาอย่างจริงจังและผลออกมาร้อนอย่างนั้นผมว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนี่แต่พวกเราปล่อยปล่าน่าเลยที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนท่านประพฤธิปฏิบัติมาต่างองค์ก็ต่างท่านก็เชิดชูบูชาจิตใจเข้าสู่ความสงบร่อนเย็นเป็นจุกกันทั้งนั้น แต่พวกเราทำทำไมมันเดือดร้อนวุ่นวายทำไมใจของเราจึง ป, ป, ปั่นป่วนกุนวายอย่างนี้แสดงว่าเราปล่อยจิตปล่อยใจมากเกินไปใช่ไหมให้เราทบทวนดูสิเราปฏิบัติตามพ่อแม่ครูอาจารย์จริงไหมหรือว่าเราปล่อยจิตปล่อยใจมันจึงเป็นอาการอย่างนี้เกิดขึ้นถ้าว่าพวกเราทุกท่านทบทวนพิจารณาไตรตรองคิดย้อนหลังว่าการกระทำของเราที่ผ่านมาหรือว่าการ กระทำของเราเดี๋ยวนี้ในช่วงนี้ที่ช่วงที่มันร้อนใจจะมันปั่นป่วนมันเป็นยังไงแต่ถ้าว่าพวกเราทบทวนดูให้ดีแล้วผมว่าจะเห็นจะเห็นต้นตอจะเห็นเหตุเห็นเหตุที่มันเป็นมาอย่างนั้นเป็นพ่อเหตุมันเป็นเดี๋ยวนี้พาอเหตุเป็ดมาพไปเป็นเป็นมาอย่างนั้นเราปล่อยอย่างนั้นมันเกเป็นมาอย่างนี้เพราะนั้นใ้พวกเรา ย้อนเหตุและผลหากันนะย้อนเหตุและย้อนผลหากันแต่พวกเราย้อนเหตุและผลหากันแล้วนั่นแหละทีนี้เราจะรู้จักวิธีการแก้ไขว่าตรงไหนเราจะทํำยังไงแต่มันก็ไม่หนีหนีไม่พ้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติมาแล้วเห็นผลมาแล้วอันดับแรกทาก่านคนนี้แลหละการอดนอนผ่อนอาหารการฉันอาหารการฉันต้องดูอาหารประเภทไหน ที่มันจะส่งเสริมร่างกายให้มีกำลังและผลในสูตมันก็ส่งเสริมเป็นส่วนเกินของร่างกายส่งเสริมการมกิเลสในจิตในใจของเรามันเกี่ยวเนื่องกันทางร่างกาย อ, ยาอุดมสมบูรณ์อิ ม, มิพีมันใจของมันก็บังคับมาอยู่เหมือนกับควานบังคับช้างมาอยู่อย่างนั้นอ่ะช้างที่มันตกมัน ความช้างบังคับไปอยู่มันสะบัดเออมันสะบัดความช้างให้ตกลงจากหลังช้างเผลอเผอแล้วก็เหยียบอีกมันลืมตัวอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราเลี้ยงร่างกายให้อิ่มมีพีมันอุรมสมบูรณ์กา ม, มกิเลสมันเกิดขึ้นใจของเราบังคับไม่อยู่ในเมื่อบังคับไปอยู่ร่างกายมันก็สะบัดใจเลยใจก็ตกจากคอช้างตกออกจากร่างกาย นนแหละเที่ผวิ่งไปตามทากขันร่างกายร่างกายมันพาไปใจก็เสริมเข้าไปเท น, น, นั่นแหละชทนี่กว่าจะรู้ได้พอแล่นี่แหละขอให้พวกเราท่านทั้งหลายทุกทุกองคนะที่พูดทางนี้ทั้งนั้นเป็นการกล่าวย้ำเป็นการตักเตือนซึ่งกันและกันที่ได้ศึกษากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาผมก็เคยปฏิบัติมาแล้วผมจมึงเลยมาแนะนําสั่งสอนแนะนําหมู่อีก สมัยเมื่อเป็นพระน้อยพระหนุ่มจิตใจเป็นยังไงแต่ถาาว่าพวกเราไม่สู้จริงๆนะอยากจะมองอะไรมองให้เต็มตาอยากจะเห็นอะไรเห็นให้เต็มตาอยากจะคิดอะไรก็คิดปล่อยปาล่านเลยพูดคุยการอยู่การฉันถ้าเราทําอย่างนั้นแล้วผมว่าชีวิตของนักบวชชีวิตนักบวชของเราคงจะไม่ยั่งยืนนะอีกสักวันหนึ่งก็คงจะดุดขาตัวเองหกล้มไป เหมือนกับคราวญญาตโยม ท, ทั่วไปแต่ถ้าว่าพวกเราเข้มงวดกวดขันกับตนเองพยายามดูตนเองอย่างนี้นผมว่าองนั้นท่านนั้นจะมีทางออกมีทางเดินผลลัพธ์สุดจะภาคภูมิใจตัวเองเป็นอย่างยิ่งในเมื่อเราผ่านจุดนั้นไปได้แต่ทาาว่าพวกเราไม่เข้มแข็งกับตนเองนั่นหละ ยักษีนียักษ โ, โนโเอาไปกินหมดนั่นนะเกเรตลาคาโทษะโมหะมันคาไปกินหมดนั่นแนะแต่ถ้าว่าเราต่อสู้เราเข้มแข็งเราสำรวมระวังมีตาอยากดูเขาไม่ดูมีหูอยากฟังเขาไม่ฟังในสิ่งที่ไม่ถูกต้องมีใจอยากจะคิดก็ไม่คิด ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อ ง, บ, งบับงคับเนี่ยบังคับให้อยู่ในหลักเหตุและผลไปบังคับให้อยู่ในหลักธรรมดูมากๆมันได้อะไรได้แล้วมันมีอะไรมันยั่งยืนไหมมันจะไม่แก่ไม่เจ็บไปตายใช่ไหมหวได้ยินนะสนุกสนาน เ, เรื่องเลวรบันเทิงไม่แก่ไม่เจ็บไปตายใช่ไหมใจของเราก็คิดคิดจนเพลิดเพลินคิดไปแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใช่ไหม อันนี้ก็คือหน้าที่ของพวกเราที่เป็นพระนะเป็นผู้ปฏิบัติต้องตรวจตราอย่างที่ผมว่านี่แหละเพราะนั้นในพรรษาที่จะถึงนี้พรรษา 2,550 เนี่ยอีกไม่กี่วันเนยะวันนี้ก็เป็นวันที่17และวันที่30ก็เป็นวันเข้าพรรษาเดือนกรกฎาเนะี่ยเพราะไม่กี่วันเพราะนั้นพวกเราควรจะวางแผนชีวิตของเราหรืวางแผน กา ร, รพุติปฏิบัติธรรมของเราเหมือนกับเราวางแผนฆ่ากิเลสอย่างนั้นนะแต่พูด ง, ง่ายๆเราวางแผนฆ่ากิเลสวางแผนกําจัดความชั่วในใจของเราวางแผนเพื่อจะเอาชนะกิเลสราคะโทสะโมหะในใจของเรานี่แหละ่ให้เราวางแผนเอาไว้พอถึงวันนั้นจริงๆเราก็นั่นและตั้ง อ, อกตั้งใจ ประพุธปฏิบัติเราจะอดนอนอยังไงเราจะผ่อนอาหารยังไงอย่างพระจักคูบาลในครั้งประพุธเจ้าพระจักคูบาลท่านบวชเมื่อภายแก่พอบวชเสร็จแล้วท่านก็ไปจำพรรษาในชนนบทมีพระโดย ก, กัน30สรูปในพรรษานั้นท่านอธิษฐานไม่นอนตลอดไรมาตสามเดือนอเห็นไหมอธิษฐาน ข้าพเจ้าจะไม่นอนตลอดไตม่าสามเดือนข้าพเจ้าจะไม่นอนสามเดือนเนี่ยข้าพเจ้าจะเอาเรียบทสามคือยืนเดินนั่งเท่านันจะไม่เองกายโดยเด็ดขาดทําไมมันจะจะนอนนักคือตั้งกิจอธิษฐานไม่นอนสามเดือนอันนี้พระจกากรพรรดิในครั้งปกติเจ้าท่านก็ทํามาแล้วถ้าจะพูดไปว่าท่าน บนามเป็นแบบอัตจิรามัถานุโยคไหมถ้าจะว่าอย่างนั้นมาก่อนผูกก็กระสุดตรงไปอีกอย่างเลยแต่ว่ามัชชิมาของท่านนั้นคือจุดนั้นแต่คืออันนั้นคือมัชชิมาของพระจักขุบาลแต่ไม่ใช่เปิดมัชชิมาของหลายหลายหายองค์อันนั้นคือมัชชิมาของท่านคือทางสายกลางของท่านท่านทําไมอยากหลับอยากนอนนะมีแต่อยากนอนไปที่ไหนมีแต่งงกง่วง เราจะเอาอย่างไรจรึงชนะกับความโง่ห้วงตัวนี้ได้มันต้องตั้งกิจที่ฐานว่าข้าพเจ้าจะไม่นอนในพรรษานี้ทั้งสามเรือนนี้ข้าพเจ้าจะถืออริยบทสามยืนเดินนั่งเท่านั้นจะไม่นอนโดยเด็ดขาดเนี่ยอันนี้ก็คือพักตะกูบาลในครั้งปกุิเจ้าจากนั้นก็เป็นเมื่อวันออกพรรษาท่านก็ได้สาเร็จเป็นพระอรหรันต์นะ แต่พร้อมกันจากสุขของท่านก็แตกแต่ตาของท่านแตกพระพระพุทธเจ้าเขอบอกว่าที่ท่านตาแตกนั้นตาบอดนั้นพราะในครั้งก่อนท่านไปทําให้แก่เขามาก่อนสมัยก่อนท่านเป็นหมอยาตาได้ท่านไปรักษาตาของคนแล้วพอไปรักษาแล้วเขาหายแล้วแต่พอจะไปเก็บค่ายาเขาก็ทําท่าตาบอด แต่มองไม่เห็นพอไปที่ไหนเขาก็ทำท่าตาบอดแต่พอหมอยาหนีออกไปแล้วเขาก็ททำการทำงานได้ทีนี้คนรอบร้านคนรอบข้างเขาก็บอกว่าเนี่ยยายยายเนี่ยเมื่อเจ้าเขามาถึงเขาเขาทำท่าตาบอดแต่พอเจ้าไปแล้วเขาทำงานได้ทุกอย่างตาเขาเขาหายแล้วแต่เขาไม่อยากจะ ให้เงินเจ้าทานเองเขาไม่อยากจะให้เงินค่ายาค่าหมอเท่านเองแต่เขาจึงทำาไว้ตาของเขาไม่หายนี่แหละเป็นต้นเหตุแห่งการทํากล้ำของพระจักคุบาลพระจักคุบาลก็นึกชุ้มขึ้นมาโมโหคึ้นมาเอาเถอะเดี๋ยวข้าจะแต่งยาให้มันตาบอดใช่ไะมนี่มันทําไมขี่โกงเราวะจากนั้นพระจักคุบาลก็เลย พอแต่งยาเสร็จแล้วก็คงจะใส่น้ากดเข้าไปมั้งแห่ก็ไปพูดกับเขาอีกเป็นไงยายโอ้ยตายัางมองไม่เห็นอย่างเก๋อนะ่ะมันมืดอยู่พอไปเห็นทำผ้าหลับตายยายถ้าอย่างนั้นก็ใส่ยาตัวนี้นะตัดพลากมันเลยเพื่อจะให้มันหายขาดไปไปจากกูบาลก็พูดอย่างนั้นยายพ็ดีใจที่จะได้ใส่ยาให้หายขาด ผมนึกชูดก่อนนอนขยดทีเดียวก็วเข้าไปตาบอดตาเขาบอดแล้นั่นแหละกัะจจคูบานเคยได้ใช้กรรมกรรมคือการกระทําของตอนเองเพราะทําให้คนอื่นตาบอดกรรมนั้นก็นมาตามตัวเกรรมมุนีนาวัตตีโลโกโสัตโลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่ตนได้กระทาไว้เพราะฉะนั้นถ้าจจคูบานที่ท่านอ ด, อ, ดอดนอนนั้นที่ท่านตาบอด พระพุทธเจาว่าท่านม่เด็นตาบอดเพราะถนอดนอนท่านตาบอดเพราะท่านได้ทำกรรมไว้ในอดีตเสริมเข้ามาด้วยก็พร้อมกันก็เป็นกรรมทั้งสองอย่างที่ในชาตินี้ท่านก็อดนอนแต่ท่านอดนอนท่านเล่งความภากเพียรท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ในวันออกพรรษาออกพรรษาด้วยกิเลสออกด้วยใจของท่านก็แตกด้วยสามการในวันเดียวกัน แต่ท่านพระจักกุบาลท่านเสียใจไหมที่ท่านจักสูกของท่านเสียท่านบอกว่าถึงจะแตกสักร้อยครั้งท่านก็ไม่ห่วงอะไรข้อสำคัญขอให้ทัทกษิเดชของท่านแตกออกจากใจเท่านั้นแหละถ้าจิเลสแตกออกจากใจแล้วถึงอะไรจะแตกถึงอะไรจะตายถึงอะไรจะทำลายท่านไม่ห่วงหาอะไรทั้งนั้นเพราะเครื่องร่างกายเป็นเครื่องปัจจัยอาศัยชั่วครัง้งชั่วคราวเท่านั้นเอง เพราะนั้นพระจักรกุบาลท่านได้สำเร็จเป็นพระาราหันเพราะเหตุแห่งการทำความภาคเปี่ยนของท่านอันนี้พูดทางนี้ทางนั้นก็อยากจะให้พวกเราเป็นถือเป็นแบบฉบับในระดับหนึ่งก็ไม่ใช่ว่าจะให้ถือเป็นแบบฉบับทั้งหมดอย่างน้อยพระจักรกุบาลอดนอนสามเดือนอย่างน้อยเดือนหนึ่งเราอดนอนจักสามวันได้ไหมทดลองดู การอดนอนผ่อนอาหารไม่ใช่ว่าเราจะทำอยู่ธรรมดาแล้วจะจิตใจสงบเข้มแข็นเป็นถุกได้สำเร็จมรรกผลมันไม่มีทางนะเพราะนั้นเราต้องฝืนต้องสู้ในสามเดือน เ, นเราจะทำย่างไงเราจะอดทดลองอดนอนดูไหมหนึ่งอาทิตยเราจะฉันอดอาหารดูไหมแต่ว่าถึงอย่างไงก็ตาม เรื่องการอดอาหารผมไม่อยากจะให้มีสัจจะในการอดอาหารเพราะเหตุไรเพราะว่าอดอาหารบางครั้งพอเราภาวนาไปใจมันปุ่งฟุ้งออกไปข้างนอกถ้าเราอธิษฐานมันยังไม่ถึงวันที่ เ, เราจะฉันอาหารเนี่ยใจมันปุ่งฟุ้งออกมากอันนั้นไม่ดีเราต้องออกมาฉันก่อนในขณะที่มันเอารั้งไม่อยู่ พอมันบางครั้งมันอดอาหารแล้วใจของเราเนี่ยมันลังไม่อยู่นะเพราะอาหารไม่มีในร่างกายแล้วมันไปอยู่มาคิดอะไรมันปงฟุ้งจริงๆแต่ถ้าว่าเราบังคับมันดูเอาสติบังคับแต่ที่แรกจิตใจสงบมันจะสงบเพ่มเย็นเป็นสุขอย่างมากๆเหมือนกับพระอรหานถูกแค่เอือมอย่างนั้นแหละเวลาเราอดอาหารภาวนาใจมันสงบอย่างนั้นแต่ถ้าว่าช่วงไหนที่มันปงฟุ้งโอ้โหคว้าที่ไหนจะเหมือนกับ คว้าน้ำเหลวอย่างนั้นได้มันคว้าไม่อยู่เหมือนกับลิงเนี่ยมันกระโดดกันเลยคว้าหามกันหลุดมือคว้าหูมันกระดุดมื อ, อนะจะจับไม่อยู่ถ้าเป็นลักษณะอย่า ง, างนั้นเราก็รีบมาฉันจังหารจ้ะพอมาฉันจังหันแล้วจะกบตั้งต้นใหม่อีกต่อไปสู้ใหม่อีกลักษณะอย่างนั้นนะเรื่องการอดอาหารเนี่ยผมไม่อยากแนะนําให้หมูพวกเพื่อน ตั้งคำสัตว์แต่ว่าเรื่องอดนอนเนี่ยผมว่าน่าจะมีคำสัตย์กับตนเองแต่ผมจะให้มันเกเลยเกินไปเราทดลองทดสอบดูก่อนเหมือนกับเราทาํามาค้าขายเนี่ยเราก็ทดลองลงทุนไปดูก่อนว่าลงทุนขนาดนี้เป็นยังไงมันถูกกับโชคชะตาของเราไหมเป็นไปได้ไหมพอลงไปเออ ค้าขายได้ดีว่ะกำไรงอกเงยว่ะรู้สึกสินค้าลูกค้าเข้ามาสนับสนุนอย่างมากนะเรายังค่อยลงทุนหนึ่งสองสามสี่ห้าลงทุนใหญ่ต่อไปอันนี้ก็เหมือนกันการทำความภาคเปลี่ยนถ้าอดอาหารดูวันหนึ่งเป็นยังไงมันหิวาหายไม่ก็ลองนี้วันที่สองวันที่สามครูบาอาจารย์ให้อดถึงเจ็ดวันถ้าอดถึง7วันโอ้ไม่ได้ปุงฟุ้งขนาดนัด้น แล้มีแต่ความหิวกระหายในใจเราไม่ควรอดหลอกอาหารไม่ถูกกัาเราเอาทดอลองอดนอนดูซิอดนอนวันหนึ่งเป็นยังไงสองวันเป็นยังไงสามวันเป็นยังไงถ้าอดนอนแล้วจิตใจปลอดโปร่งจิตใจคิดอะไรรู้สึกว่ามีเวลามากที่เราจะภาวนะเราก็ทดลองอดอาหารต่อถ้าอดอาหารก็ไปโอ้ไปได้อดอาหารก็ไปในะคิดอะไรไม่ออกทื่อไปหมด มันอยากจะนอนคิดอะไรกับนั่งที่ไหนมีถุงห็อตเยื่อกระดานไอนั่นแต่สับประงกงกังนอยู่นะคิดอะไรไม่ออกอันนี้เราก็ดูให้รู้อีกเหมือนกันเหมือนกับเราเริ่มทำมาค้าขายในกิจการต่างๆอย่างนั้นเราทดลองดูว่าเป็นยังไงถ้าเราไม่ทดลองก็ไม่มีไม่รู้ว่ใครจะท ด, ทดลองให้แกเราถ้าเราไปฟังกูบายจารเราก็ได้แต่ฟังท่านเอง ครูบาอาจารย์ก็เป็นเรื่องของท่านท่านก็ดูการกระทําของท่านการความชิดของท่านเรื่องกายวาจาใจของท่านมันไม่ใช่ของเราถ้าเราทำจะเป็นของเราถ้าครูบาอาจารย์ทำก็เป็นของท่านเองท่านมีแต่วัแนแนะนําห่าท่านเคยทําอย่างนี้เคยปฏิบัติอย่างนี้เองพวกเราก็นําที่ท่านเคยประพุติปฏิบัติมานั้นนํามาประพุทธปฏิบัติกับตัวของเราเองนี่แหละอันนี้ก็คือการ การชี้นำชี้นำเนี่ยเป็นการชี้ชนชแนะให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายวันนีน้พวกเราทุกทุกท่านนะในพรรษาในที่จะถึงนี้ให้พวกเรามีความตั้งใจมีความมั่นใจในจิตในใจใครจะคิดทําอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันในการทําความภาคความเพียรหรือเราจะเดินทุกกรมวันละกี่ชั่วโมงอย่างนี้ย เล้วว่าทุกวันพระเราจะอดนอนเราจะเดินอย่กมทั้งคืนเรือเราจะนั่งกี่ชั่วโมงเราจะเดินกี่ชั่วโมงคืออยากจะให้มีความสับจริงกับตนเองบ้างไม่ใช่ไหมอยู่เป็นวันวันกินเป็นวันวันเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วผมไม่ได้ภาคภูมิในการกระทาหรือว่าการประพฤติปฏิบัติของตอนเองผมเองไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นการภาวนาการปฏิบัติ เป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายทุกๆองนะแต่ทางนี้ทางนั้นก็ให้รู้จักประมาณให้รู้จักตัวเองนะแต่ให้เอาเข้มไว้แต่ดีกว่านะหยอนยานมันไม่ต้องแนะนํายากเดีมันอยากจะย่อนยานอยู่แล้วแต่ถ้าว่าเข้มเข้มงวดกวดขันเนะี่ยคำนี้มันทําด้ยากแต่ว่าหยอดยานมันทําได้ง่ายเหมือนกันน้ำ มันไหลลงที่ต่ําทางต่ํามันไหลได้ง่ายแต่ปล่อยน้ําขึ้นสูงเนี่ยต้องใช้ปัม๊มต้องใช้เครื่องสูบดันขึ้นลากเข็นขึ้นมันจึงจะขึ้นอันนี้ก็เหมือนกันการสังสมคุณงามความดีการสร้างคุณงามความดีนั้นก็ต้องเที่ยวเข็นกันพอสมควรจึงจะดีได้แทนว่าปล่อยตามอาเภอใจอยู่กินตามอําเภอใจคุกค้าสมาคมกับหมูเพื่อนตามอําเภอใจปล่อยป่าละเลยนะ ไม่ได้สนใจจะรู้เห็นธรรมะปฏิบัติลึกซึ่งนั้นผมว่าก็ยังมองมาเห็นทางเหมือนกันเะเพราะนั้นในพวกเราพระเนทุกองนะที่เขามาบวชในพุทธศาสนาใต้่าอกตั้งใจให้หลีกเล่นดูตามนําพังในภาวนาให้มากกุฏิเสนาสนะของเราก็พร้อมที่จะหลีกเล่นกันได้พราะเื่อที่ห่างกันเราจะหลีกอยู่ที่ไหนก็ได้นะ และก็พร้อมกันกรรมฐานไหนที่พวกเราจะประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องภาวนาจะให้สงบเนี่ยผมมองไม่เห็นอย่างอื่นเหมือนกันถ้าจะยาเจ็ดร่อมใจของเราให้เข้าสู่ความสงบนั้นบริกรรมพุทโธนี่แหละเป็นหลักหรือพวกเราเคยปฏิบัติอย่างไรมารู้เห็นอย่างไรมาปฏิบัติอย่างไรมาได้ผลอย่างไรมาอันนั้นก็ให้พวกเราตาม ตามการกระทําของเรานั่นแหละที่ได้ผลมาอย่างไงเราก็ทําอย่างนั้นแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หรืออย่างผมอย่างนี้ผมได้ผลมาทางทางภาคปฏิบัติในเวลาอยจะให้เก็บสงบผมจะกําหนดลมหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทธหายใจออกบริกรรมว่าโทพุทธโทพุทโธเวลาเดินจงกรมขาขวาพุทธขาซ้ายโท อันนีคือการเดินจงกลมการเดินจงกลมคือเดินกลับไปกลับมาไม่อยไปเดินช้าเดินเหมือนเราบินเดินบินทบาทอย่างนั้น อ, ะอ่ะเวลาการเวลาเดินจงกลมเราก็ใช้มือประสานกันในระหว่างท้องน ะ, ะขามือขวาทับมือซ้ายใจนั่งขาขวาพุทขาซ้ายโถ อ, อย่าไปมองข้างๆมองโดยท่าสับรวมบริกรรมให้มีสติอยู่กับการ ก้าวเดินกับขาก้าวพุทโธพุทธโธอย่าไปเอามือควยหลังอย่าเ อ, าเอามือควยหลังอย่ากวายแขนอย่าเ อ, าเอามือกอดอกอันนี้ก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นที่ท่านแนะนําสั่งสอนลูกศิษย์อย่างองค์หลวงปู่ล่านี่สอนผมแต่สมัยเป็นเนนผมรู้มาแต่เป็นเนนแหละหลวงปู่ล่าจะไปเดินจักรมเอามือควยหลังนะ มือคขวยหลังเหมือนกันนักเลนเดินเอามือกอดอกเหมือนกับคนมีทุกข์คนเป็นมีเจ้าทุกข์เดินไกลควายแขนถ้าไม่เคารพไม่สำรวมระวังถ้าชำนาญท่าลำพึงต้องเอามือตระสานอย่างนี้แล้วก็ก้าวเดินเก้าจะไปก้าวช้าเดินตามปกติขาขวาพุทธขาซ้ายโถพุทธ พุทธโพุทธโทพุทธโทรเพราใจของเราเนี่ยมันเร็วยิ่งกว่าลูกกระสุนปืนอีกใจของเราแต่เดนเราคิดถึงอเมริกาคิดรอบโลกมักี่รอบคิดรอบโลกกี่รอบลูกกระสุนปืนก็ยังไม่ได้เหนี่ยวกไกลอย่านั้นเถอะมันกี่ร้อยรอบนะใจของเราเพราะฉะนั้นใจของเรามันเร็วยิ่งกว่าอะไรเพราะฉนั้นเวลาเราเดินย่างกลมเนี่ย เพียงแต่ว่าให้มีสติในการก้าวเดินยกขาขึ้นมาเราก็รู้ก้าวเดินไปที่ไหนเราก็รู้ขาขวาพดขาซ้ายโถอันนี้วิธีการเดินจงกรมนะยืนเราจะดืนยืนอยู่ในท่าไหนโดยมากท่านจะยืน พ, งพิงแผ่นกระดานไม้กระดานในครั้งพระพุทธเจ้าหรือพิงฝาหรือพิงต้นไม้อย่างนี้หรือพิงต้นเสาอย่างนี้ ถ้เดินตามมาพังนานๆจงัจงงนจังงนเงินเพรงั้นจะล้มถ้าเราหยุยืนก็ได้แต่ยืนพิงแต่วิธีการเดินถ้าเราเดินเดินไปขาขวาพุทขาซ้ายโถพุทธพุทโถจากนั้นเราจะุดหยุยนยุดยืนที่ทางเดินองกลมแล้วก็จะกำหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโถหายใจเข้าพุทหายใจออกโถในกระทิพ ขณะที่ยืนยืนฐานใจยงงิงโกงจากนั้นเราก็ก้าวเดิอนอีกขาขวาพุทขาซ้ายโถพุทโถพุทโถพุทโถ พ, พ, พ, พอเดินไปในระยะหนึ่งเราก็หยุดยืนอีกกาหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโถสรุปแล้วก็คือทั้งยืนทั้งเดินทั้งนัง่งทั้งนอนให้มีสติอยู่ในกายบททั้ง4ี่นั้นไม่ให้จิตใจคิดปุงฟุ้งไปทางอื่นอนะันนี้คือวิธีการนะทำสมาธินะ เนเมื่อทำสมาธิใจของเราเข้าสู่ความสงบถี่แล้วเป็นพื้นฐานพอสมควรเราคนนำใจที่เป็นที่มีความสงบเป็นพื้นฐานนั้นนำมาพิจารณาความพิจารณาทางด้านปัญญาปัญญากับพิจารณาอะไรพิจารณากรรมฐานห้ากรรมฐานห้าที่พระอุปัชฌาย์ให้นะเกซาผมโลมาผลนาขาเล็บทันตาฟัน โจหนังอันนี้คือกรรมฐานห้าที่พ่อแม่กูบาลที่ผู้ปราชาท่านมอบให้แก่เราตั้งแต่วันบวชผมก็เลยเปรียบเทียบ ว, วันนี้แหละผูปราชญ์กูบาลอาจารย์ผู้ปราชาท่านให้กรรมฐานเมื่อก็ให้ปืนลูกซองห้านัดอย่างนั้นแหละให้ยิงกิเลสหนะ้กิเลสตัวสําคัญก็คือการมราค่านี่แหละที่จะเข้ามาเยียบยาทําลายจิตใจของเรา ให้เห็นกรรมฐานาถ้าตุเราเห็นเกสามิตรโรลคลุงลังสกปรกลกรลุงลังผมหงอกผมขาวจะน่ารักใครชอบใจไหมทำมันหล่นลงใส่อาหารถ้ามันตกเกลื่อนอยู่กับพื้นตกกับอาหารของเราน่ากินไหมขยะขยงไหมผมขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันฟันก็เหมือนกันหนังก็เหมือนกันถ้าคนเราถลกหนังออกแล้วเป็นยังไง ตัวแดงเถือกทั้งตัวมีแต่เลือดออกมาแล้วน่าชอบใจไหมน่ารักไหมไม่ว่าท่านบ้าเราตัวของเราไม่ต้องถลกหนังคนอื่นนะ ถ, ถลกหนังของเราออกเป็นยังไงร่างกายเป็นยังไงน่าดูไหมถลกหนังตกตัวเองออกบวดแล้วนี่แหละคนเรามันหลงหนังไม่ใช่หลงอื่นหลงหนังถ้าหนังหุ้มอยู่ก็เลยหลงหนัง คนนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้กรรมฐานห้านะเกสาโลมานขาทันตาตาโจตาโจคือหนังให้ดูหนังให้กรรมฐานดูพิจารณาหนังถ้าเมื่อเราเห็นหนังออกไปแล้วหนังลอกออกจากกายแล้วมันไม่มีอะไรที่เป็นที่น่ารักใคร่ชอบใจตัดการมักเกล็ดได้อย่างเด็ดขาดทางว่าเราพิจารณาให้ท่วนทีถูกต้องแล้วนะนี่แหละ ถ้าว่าเร า, าพิจารณาอยู่อย่างนี้ถ้าอยากจะให้จิตสงบเราก็กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกด้วยขาขวาพูดขาสายโถอย่างที่ผมได้พูดนะแต่ถ้าว่าใจของเรามันจะงคึกขนองอมันจะคิดโปรงฟุง้งออกไปทางโลกสังสงสารมันลังไม่อยูอ่มันคิดถึงบาทคิดถึงเดือนคิดถึงอาหารคิดถึงหมู่พกเพื่อนคิดถึง ขอบทึงขั้วอะไรก็ตามให้เราระลึกถึงความตายนะเรานี่นะเราตายไม่เป็นใช่ไหมเราเคยเห็นคนตายไหมนึกใหญ่ใหญ่นะแห่นึกให่ใจญนะ ถ, ถามตัวเองเราเคยเห็นคนตายไหมเราจะตายเป็นไหมถ้าระลึกถึงความตายมองตัวเองเห็นค น, คนตายแล้วก็นอนกํำหนดให้ตัวเองตายหรือเปว่า ก็เห็นทุกคนอื่นตายเขานอนอยังไงเนี่ยปฏิท่าตัวเองตายนะเป็นยังไงเราจะนอนอยังไงเขาตายเน่ยเขาตายเป็นตัวอย่างเราตายพอเหมือนกับเขาตายไม่เป็นไม่แพ้กันบทลมหายใจเข้าออกนอนต่อไปก่อขึ้นอืดผลทั้งส่วนกเอาจัดเข้าหยิบเข้าลงผลทั้งส่วนก็เอาไปเผาเราตายเป็นไหมอันนี้คือช็อก ค, ความคิดของตนเองไม่ให้มันคึกขนองไม่ให้มัน ใจมันปุงฟุ้งออกไปข้างนอกจนเกินไปให้มันสำนึกตัวเอง เ, อเหมือนกับช้างที่มันคึกขนองออกไปเขาใส่ขอสับหัวมันยยนับใส่อ่นนแะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าใจของเราเครึกๆๆเช็ดคึกขนองออกไปข้างนอกเราก็ต้องใช้ความตายเนี่ยชกมันเหมือนกันเลยเอาขอสับมันสับหัวมันเหมือนกันเลยสับหัวกิเลสเหมือนกันเลยเพอไม่ให้มันปุ่งฟุ้งออกไปข้างนอกใช้ธรรมะกรรมฐานหนะ่านมรณะรู้จิตน่ตนะระ ล, ลึกถึงความตายเนี่ย เหมือนกระตะขอเนี่ยสับหัวช้างอย่างนั้นหยุดนะมึงอย่าคิดนะตายนะใครก็ตายโดยการทุกคนนั่นแหละเพราะฉะนั้นตัวเองอย่าคิดนะให้จำเรทจำเลิศไปนะ อ, อ, อันนี้ก็คือให้ระลึกถึงความตายไว้อยู่เสมอระลึกถึงความตายแล้วความคิดปรุงฟุ้งออกไปที่มันจะลืมหลงโลกหลงสงสารคิดว่ามันจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคิดว่าจะสอบสแสวงหาทรัพย์ยศฐาบรรดาศักด์ความร่ำรวย อยู่ในบัตตาสงสารนี่มันจะหดปุ๊บเขามาหาตัวผู้รู้ทันทีเออใช่เราจะทํำยังไงจึงจะเหมาะสมจึงจะถูกต้องปรับปรุงแก้ไขกายว่าใจาใจของเราอย่างไรอันนี้เราจะได้ใจของเราจะมันจะจ้อนเข้ามาหาสติของเราจะย้อนเข้ามาหาตัวเองเมื่อราลึกถึงความตายจากนั้นเมื่อเราลึกถึงความตายถ้าแรกก่มืในคนตายมันเป็นยังไงกันแยกแย ก, แยกอยู่อย่างที่ผมได้พูดว่ากิจารณาร่างกายนะเกสาลม เกษาผมลงมาขนนักข่าวดดทันตาฟันตะโจหนังเนี่ยจากนั้นก็ซ้ำแกลเข้าไปถึงเนื้อเอ็นกระดูกจนตับลําไส้ปอดอกุจจารปัจจวะอยู่ในท้องของเรามันเป็นยังไงมีไหมอันนี้เมื่อเราเห็นอสุสภะปฏิคูลในร่างกายของเราแล้วจากนั้นเราก็ย้อนมาถึงตัวผู้รู้คือใจอีกทีหนี่ย ถ้าภาวนาทิที่ดูตะกายอย่างเดียวยังนะยังไม่ถึงจุดนะเพราะตัวการสําคัญคือใจท่านนายใจไปให้ความสําคัญจร่งหรานั้นมันจึงสําคัญเพราะฉะนั้นให้ย้อนเขามาหาตัวผู้รู้คือใจในเมื่อย้อนมาหาใจคือตัวผู้รู้แล้วใจไปหลงเขาใช่ไหมนะใจไปให้ความสําคัญเขาใช่ไหมตัวนึกคิดเนี่ยตัวผู้รู้เนี่ยใจเนี่ยไปให้ความสําคัญร่างกายใช่ไหม มเมื่อเราพิจารณาอย่างนั้นแล้วนะใจของเรากมดมีสติอยู่กับตัวเองนะไอันไหนควรอันไหนไม่ควรจากนั้นก็พิจารณาถ้าขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วคนอื่นจะเป็นของเราได้ยังไงของคนอื่นร่างกายของคนอื่นเป็นของเราใช่ไหมขนาดร่างกายตัวเองก็ยังจะต้องแตกจะต้องสลายจะต้องเอาไปเผาไฟทิ้งจะอาไปฝังดินทิ้งสักวันหนึ่งนี่ จะมีแต่กระดูกเราจะว่าเป็นของเราได้อย่างไรอันนี้ก็คือพิจารณาเมื่อใจพิจารณาเห็นอย่างนั้นเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วจะไงลาบก็ดียศก็ดีสรรเสริญก็ดีความสุขและกเลยกน้อยน้อยของวัะสงสารก็ดีมันจะรู้เท่ารู้ทันท่นมันไม่มันไม่ยึดมั่นถือมั่นแหละท่ในเลใจของเราไม่ยึดมั่นถือมั่นกะระด่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเรา เราจะไปยึดมั่นถือโน้นนั้นว่าเป็นของเราได้ยังไงทคนี้พอมานรู้มารู้ตัวเองถึงย้อนเข้ามาหาใจตัวเองใจก็เกิดความเบื่อหน่ายไม่ยึดมั่นถือมั่นพร้อมที่จะปล่อยวางเลยใ น, นแหละธรรมะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าปล่อยวางอยู่ที่ใจนะปล่อยวางที่ใจเมื่อใจเป็นมาตรฐานใ จ, ใ, จใจของเราเป็นสแตนดารนะใจเป็นมาตรฐานใจไม่พกพกโจน ใจไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะใจนิ่งใจปล่อยวางใจรู้เท่ารู้ทันใจไม่ยึดมั่นกับกิเลสราคะโทสะใจเป็นธรรมธาตุใจเป็นธรรมนั่นละ่ะตารบวชลงมสุขก็จะเกิดขึ้นที่ใจของเราเพราะใจเรารู้เท่ารู้ทันรู้มันรู้ตัวรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมันนี่แหละทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า มีที่จบมีที่สิ้นสุดที่ในะเพรนะวนนั้นให้เราพิจารณาดูนะอย่างหลวงพ่อไปมอบรับมอบสถานีวิทยุเสียงธรรมองหลวงตาเขาก็พานนิมมนมลหลวงพ่อไปดูน้าทะเลหลวงพ่อก็ไปดูเดินเดินดูชายหาดนะไปก็ไปเห็นเปลือกหอยไปเห็นอะไรอยู่ในชายหาดนะหลวงพ่อววานดูดูนนะเราว่าแต่เปลือกหอยว่าจางต่ปลากรารลังนะ เผพอๆอาจจะเป็นกระดูกพวกเราก็ได um. ้ใครตายมาหวานลงน้ํำทะเลจากนั eso, to to, to ้นน้ําทะเลก็ซัดกระดูกอะไรขึ้นมาขาวโพลนไปบวชเห็นไหมอยู่นทะเลจยู่ริมฟั่งมันอาจจะเป็นกระดูกของพวกเราก็ได้นะเจ็ไปหาว่าจะเปลือกหอยเปลือกหอยบว่าจะปากกาลังนะอาจจะเป็นกระดูกพวกเราเองก็ได้พวกนั้นน่คนทั้งหลายตายแล้วเอาไปหวานลงน้ํำทะเลกระดูก ไปลอยอังคารนี่แหละถึงจะหาเงินคํารัพสมบัติร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านมียศถาบรรดาศักสูงสูงขนาดไหนผลที่สุดก็นั้นแหละไม่ได้อะไรไปด้วยนอกจากบาปกับบุญเท่านั้นที่จะติดใ จ, ใจพวกเราไปเพราะฉะนั้นให้พวกเราให้สั่งสมบุญกุศลไว้นะอย่าประมาทตายแน่ไม่เป็นอย่างอื่นตายแล้วไม่สูญอีกตายแล้วเกิดอีกนะที่สิ่งที่ให้เกิดก็คือใจนั่นแหละเพราะฉะนั้นพวกเรา ทงนาคนะที่เข้ามาบวชในครั้งนี้ให้ศึกษาที่หลวงพ่อพูดให้ฟังทั้งนี้ทั้งนั้นให้ศึกษาถึงกายให้ศึกษาถึงใจ ใ, ใจของเรามันเป็นอย่างนั้นจริงไหมแล้วตลอดหมู่พ ก, พ ก, พ ก, พกนะเพื่อนทุกองนะก็ให้ประพฤติปฏิบัติอย่างที่ผมได้พูดอย่างนาคก่อนที่เขามาบวชเขามาศึกษามาศึกษามาทำตนอย่างไร มาปรับปรุงกายว่าใจาใจอย่างไรมาศึกษาอย่างไรจุดมุ่งหมายของเราที่มาบวชในครั้งนี้เราไม่จุดมุ่งหมายมุ่งมั่นอะไรอันนี้ก็คือเราให้มีความตั้งอกตั้งใจฝลายพระเหมือนกันที่จะพันศาใี้จะถึงนี้ปีนี้เราจะทำอะไรบ้างให้แก่เราที่เป็นชิ้นเป็นอันเป็นรูปธรรมนามธรรมรูปธรรมก็คือการประพฤติปฏิบัติตั้งแต่ท่องปฏิโมกข์อย่างที่ผมว่ารูปธรรม จากนั้นก็อดนอนผ่ออาหารเดินย่ากลมนั่งภาวนาจะทํำยังไงเอาจริงจังมากน้อยแค่ไหนในปรญหา 2,550 นี้ให้เราวางแผนเอาไว้วางแผนฆ่ากิเลสใน้ใจของตัวเองไม่ผิดหรอกถ้าวางแผนฆ่าคนอื่นนั้ผิดนะผิดศีลผิดธรรมทิคที่มาแล้วก็เป็นบาปละวางผักแผนฆ่าผู้อื่นฆ่าสัตว์อื่นแต่ถ้าวางแผนฆ่ากิเลสตัวเองนั่นแหละเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นฆ่ากิเลสฆ่ากิเลสราคาโทสะมัว ให้กระเด็นกระดอนออกจา ก, ก จ, จิตใจนั่นแหะจะพบบรมมัสุขนะและ้วแตยกตัวอย่างพระจักกุบาลที่ท่านปฏิพฤติปฏิบัติมาในครั้งพุทธเจ้าท่านอดนอนถึงสามเดือนฮนะเป็นยังไงตัวอย่างถึงจะไปเอาอย่างท่านเป็นตัวอย่างเปี้ยทีเดียวร้อยเปอร์ซทีเดียวก็เป็นแบบฉบับมาพระจักกุบาลท่านปฏิบัติอย่างไรนะแต่ว่าผลสุดท้ายท่านก็เลยเป็นพระอรหันต์นะ นี่แจากนั้นก็พิจารณาจุดมุ่งหมายของพระ ค, คืออะไรสรุปก็คือศีลเพราะศีลก็คสมาธิวิธีการทําสมาธิทํำยังไงกำหนดลมหายใจตามพ่อแม่ปูบายอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนก็นคือกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกบริกรรมคดโถอันนี้คือหลวงองค์หลวงปู่มั่นปูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนพวกเรา จากนั้นการเดิกรมทํำยังไง yeah. แล้วก็ขาขวาพุดขาซ้ายโถูทางเดินเปนกรมเรามีอยู่แล้วทุกล้านทุกกฎบิเราทําไปแล้ว yeah. เดินหาแล้วก็ปัดกวาดทําทความสะอาด yeah. แล้วก็ขูดทับ yeah. ปรับดินเมื่อเราเป็นนาคเราพยายามปรับดินให้สม่ําเสมอเตรียมมาไว้เมื่อเราเป็นพระเราเราทําไม่ได้นะเราปรับดินให้ดี เอาดินถมกบหลุมบอ่อที่มันเป็นหลุมทําให้ดีจากนั้นเราไปเดินกางกลมขาขวาพูดขาซ้ายโถนะวิธีการเดินยืนเดินนั่งนอนให้มีสติอยู่กับตนเองอันนี้คือสมาธิจากนั้นคิดคิดอย่างไรเมื่อคิดจะคิ ด, ค ด, คดถึงมรณะนุชติละลึกถึงความตายอย่างที่ว่าคือชอบใจของเราไม่ให้ใจของเราปรุงฟุ้ ง, งไม่มีขอบไม่มีเขตอ่านะ มีแต่ขอสับหัวมันเนีขอช้างขอช้างอันนี้ก็เหมือนกันมรณะนุสติเลคือขอสับใจไม่ให้ใจคึกขนองมึงคิดไปไรมึงตายไม่เป็นใช่ไหมเนียถามอย่างนั้นใช้คำพูดของพ่อคุณลามเดียวนั้นจากนั้นก็เมื่อใจมันหยุดคิดแล้วทนี้กับพิจารณาแล้วแต่พิจารณาร่างกายอย่างที่ผมว่านี่เปรียบเทียบกับมรรฐานห่า แลเหมือนปืนลูกสองห้านัดที่ผู้อุปชาให้ยิงกิเลสกิเลสตัวไหนตัวสําคัญคือการมะลาคา่ะให้พิารณาเจสาผมโลมาขนนาคาเล็บทันตาฟันตาโจหนังให้ถลกหนังดูสิมันเป็นอย่างไง ร, ร่างกายของเราเป็นอย่างไงจากนั้นถลกเข้าไปถึงทางในถึงเนื้อเห็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับท้องผื่นไตปอดใช่ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่า ใ, ในร่างกายไม่เป็นอย่างนั้นจริงไหม พวกเราไม่ปฏิเสธไม่ออกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆผลที่สุดร่างกายเราเป็นอย่างนี้ทําไมใจของเราจึงลุ่มหลง ม, ม, ม, มาถึงใจอะไรขึ้นพอใจของเราพิจารณาดูแล้วก็ปล่อยวางที่ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจสิ่งอื่นจะเป็นภาษาอะไรแต่ติดตั้งกายของเราก็จะเอาไปเผาไฟเขาจะไปฝังทิ่นหนือดทิ้งอยู่แล้วกระดูกของเราจะไปรอยองังคารอยู่น้ำมหาสมุทรทะเลแล้วเราก็เคยไปคอย้อยอังคารให้แก่ใคต่อใครอยู่แล้ว เราก็เคยฝังกระดูกให้แกใครต่อใครอยู่แล้วอีกสักวันหนึ่งเขาจะต้องฝังกระดูกเราไม่เป็นอย่างอื่นสิ่งเหล่านี้อันนี้วิธีวิธีของพระพุทธเจ้าให้คิดน ะ, ะให้เห็นตามความเป็นจริงจากนั้นใจของเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นใจปล่อยวางเมื่อปล่อยวางแล้วจิตใจก็หลุดพ้นจิตใจก็เป็นมาตรฐานจิตใจไม่ทุกข์ไม่ร้อน จิตใจรู้เท่ารู้ทันตัวเองจิตใจมายึดมั่นถือมั่นจิตใจเป็นธรรมธาตุจิตใจเป็นโมร ม, มสุขความสุขแท้จริงไม่ต้องหาที่ไหนหาที่ใจสาระของชีวิตไม่ต้องหาที่ไหนหาที่ใจถ้าไปหาที่อื่นนะคว้าน้ำเหลวทางนั้นแต่ถ้าหาที่ใจแล้วจะเจอของจริงอยู่ที่ใจการพูดการแสดงธรรมวันนี้ก็เห็นว่าสมควร ขอจะติดเพียงเท่านี้